บุกทูยี่สิบสองอตอตออริการสนทนาสามปัตตระไดอาลกิเมซาามคุณสูบบุหรี่ไหมครับ It's a weed เอเซวิตผมเคยสูบครับอัรเวเซอดอัรเวเซอดีแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วมากรัมอัคลาารเวเซวีมากรัมอัคลาารเวเซวีรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่กาเรมเวเซวี กัเวิวไม่เลยครับซทซทมันไม่ได้รบกวนผมครับรมาสุข ส, ส, ขสคุณจะดื่มอะไรไหมครับตาเลฟทราเมส บรันดีไหมครับกอนยักสอนยักส์ไม่ครับผมชอบเบียร์มากกว่าอาราลูดิมิรเชวเนียอาราลูดิมิรเชวเนียคุณเดินทางบ่อยไหมครับเบิร์สมกซาอูโรบดเบิร์สมกซาอูโรบด บ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนร้อนอะไรอย่างนี้ ราซิเียราซิเียใช่วันนี้ร้อนจริงๆีรมดวลัดเลครามดวลดัดเลเราไปที่ระเบียงกันเถอะกาวิเตไ อ, อวันเซกาวิเตไอวันเซพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ คซมีคบคคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับทคมค ค, ม ค, ครับพวกเราได้รับเชิญด้วยเดียควเวนสากปติจส